นิทานวัคอภิสมัยะสังยุตประมวลเรื่องเกี่ยวกับการตรัสรู้เป็นสังยุตแรกของวัคที่สองคือนิทานวัคขอประมวลมาเฉพาะสูตรที่น่าสนใจ 1. วิพังคสูตรว่าด้วยการจําแนกปฏิจจสมุปปบาทในสูตรนี้ต่างจากมหานิทานสูตรมัชชินิกายทีฆะนิกายเริ่มที่สิบ ในมหานิทานสูตรแจกปฏิจจสมุปบาทถอยหลังสาวไปไม่ถึงสังขารและอวิชชาพอพูดถึงวิญญาณแล้วก็วกกลับและกลับไปกลับมาระหว่างวิญญาณและนามรูปดังนี้วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดภาษากเป็นต้นไม่มีสลายตนะแต่ในวิพังคสูตรนี้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 เป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกกระปริเทวะทุกขโทมนัตเท่ากับทุกเกิดสายดับคือดับอวิชชาก็ดับสังขารและดับเรื่อยมาจนถึงดับชรามรณะโศกกระปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาตคือทุกดับคำจำกัดความเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรสนใจชรามรณะ หมายถึงแก่ตายจริงๆในความหมายที่เราทราบกันเกิดหมายถึงเกิดเป็นรูปเป็นร่างกายการได้ขันครบถ่วนตายหมายถึงการตายจริงๆการแตกดับแห่งขันหรือการละกิริยาไม่ต้องตีความเป็นอย่างอื่นโปรดดูข้อสังเกตข้างท้าย 2. อ, อาหารรสูตร ยกอาหารสี่อย่างมาแสดงคือกาวลิงการาหารหรือคำข้าวผัสสหารมโนสัญญาเจตนาหารวิญญาณอาหารแล้วกล่าวว่าอาหารเหล่านั้นเกิดจากตัณหาแล้วนําเข้าหลักปฏิจจสมุปบาทถอยหลังจับจากตัณหาดังนี้ตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูป วิญญาณสังขารอาวิชาสามภคุณะสูตรมีพระโมลียะภคุณะทูล ถ, ถามว่าใครเป็นผู้สัมผัสใครเป็นผู้เสพอารมณ์ใครเป็นผู้ทะเยอทยานพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าตั้งคำถามไม่ถูกไม่ควรถามว่าใครแต่ควรถามว่า เพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีสัมผัสคือผัสสะเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเป็นต้นซึ่งคำตอบคือเพราะการยึดในตัวตนเราเขาไม่เข้าใจตามสภาวะที่เป็นจริงเพราะองค์จึงแสดงปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับเริ่มตั้งแต่ผัสสะเป็นต้นไปดังนี้ผัสสะดับเวทนาดับตัณหาดับ อุปาทานดับภพบดับชาติดับชรามรณะโศกะบริเทวะทุกขโทมนต์ดับเท่ากับทุกดับสูตรนี้และอีกหลายสูตรมีทางให้คิดว่าทรงอธิบายการดับวงจรแห่งปฏิจจสมุ ป, ปบาทโดยรวบยอดในปัจจุบั น, นชาติไม่ข้ามภพข้ามชาติสำหรับคำว่าโซกะคือความโศกนะครับ บริเทวะคือความคร่ำครวนความร่ำไรรำพันส่วนทุกขะก็คือความทุกข์ความลำบากทางกายทางใจโทมนัสคือความทุกข์ทางจิตอุปายาตคือความคับแค้นใจ 4. ปัจจยะยสูตรสูตรนี้แสดงปฏิจจสมุปปบาทอีกรูปแบบหนึ่งคือ ชาติ <SCP> เป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะภพเป็นปัจจัยให DE ้เกิดชาติอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาสลายตนะเป็ squat. นปัจจ uh ัยให้เกิดผัสสะนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร 5. กัจจัยนะโคตสูตรทรงแสดงว่าการเข้าใจปัตติจัสมุปปาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิปฏิเสธความเข้าใจเรื่องอัตติตาคือสรรพสิ่งมีตลอดกาล และเรื่องนัตถิตาสรรพสิ่งดับศูนย์ตลอดกาล 6. อเจละกะสูตรแสดงว่าถ้าเข้าใจหลักปฏิจจะสมุปปบาทจะเข้าใจกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยสัมพันธ์ปฏิเสธทั้งสัสสตทิฏฐิและอุเฉธาทิฏฐิเช่นในกรณีสุขและทุกข์ถ้าใครเข้าใจว่าทุกตนทาเองก็เท่ากับบอกว่า ผู้นั้นเสวยทุกข์กลายเป็นสัตสตาทิฏฐิเมื่อเข้าใจว่าทุกขตโวการอื่นทำให้ก็เท่ากับว่าคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งเสวยทุกข์กลายเป็นอุเชธาทิฏฐิไป 7. นิทานสูตรพระอานุนคิดว่าปฏิ จ, จสมุ ป, ปบาทง่ายพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้คิดเช่นนั้น ตรัสว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกซึ้งอย่างรู้ได้ยากเพราะไม่รู้ไม่ตรัสรู้ไม่แทงตลอดในธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทหมู่สัตว์จึงเหมือนเส้นได้ที่ยุ่งเหมือนกลุ่มได้ที่มีปมเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องย่อมหนีไม่พ้นอบายทุกขติวินิบาตและสังสาระคือการเวียนตายเวียนเกิด อุตตะมังสะสูตรตรัสสอนให้พระกําหนดรู้เรื่องอาหารสี่ชนิดด้วยอุปมาอุปไมยหน้าฟังคือให้กินอาหารคือกะวะลิงการาหารเหมือนคนกินเนื้อบุตรของตนเองเพื่อยังชีพขณะเดินทางกันดาลอย่าติดในรถอาหารเมื่อกําหนดรู้กะวะลิงการาหารอย่างนี้ เท่ากับรู้ความยินดีในกามคุณหมกมุ่นผัวพันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นั้นวิญญาณอันอาศัยตัณหาก็จะเกิดอุปาทานอันอาศัยตัณหาก็จะเกิดผู้ที่มีอุปาทานย่อมไม่เป่าเรนิพานในปัจจุบันผู้ที่เป่าเรนิพานในปัจจุบันพึงทราบโดยนาตรงกันข้าม พระเจ้าารัวาชสูตรพระเจ้าอุเทนตรัสถามพระปินโทละารัววชะว่าอะไรเป็นเงื่อนไขให้พระหนุ่มแน่นยาวไวผมดำสนิทยังไม่หมดความรู้สึกทางการมารมประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตพระปินโทละวาชะตอบว่าเพราะปฏิบัติตามพระโอวาทของพระาศาสดาว่า ให้คิดว่าสตรีที่อยู่ในวัยปูนพี่สาวน้องสาวเป็นพี่สาวน้องสาวของตนสตรีปูน ล, ลูกสาวเป็นลูกสาวของตนพระราชาทรงซักต่อไปว่าธรรมดาจิตของคนมักโลเลบางครั้งอาจไม่คิดเช่นนั้นก็ได้มีเงื่อนไขอีกหรือไม่พระปิณโทละพารทวาชะตอบว่า ให้พิจารณาร่างกายนี้ตั้งแต่ปลายเท้าจดศีรษะอันมีหนังหุ้มโดยรอบให้เห็นความไม่สะอาดต่างๆอยู่ในร่างกายนั้นไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บหนังหรือส่วนอื่นๆพระราชาตรัสว่าบางครั้งทั้งที่ทำในใจว่าไม่งามแต่ยังเห็นว่ามันงามจะมีเงื่อนไขอื่นอีกหรือไม่ พระเถระตอบว่าเวลาเห็นรูปด้วยตาอย่าถือเอาโดยนิมิตคืออย่ามองรวมอย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะคืออย่ามองแยกให้สำรวมอินทรีย์พยายามไม่ให้อกุศลธรรมครอบงำเวลาได้ยินเสียงสูดกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องสัมผัสคิดบโนภาพก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ภิกษุหนุ่มแน่นยาววัยผมดำสนิทที่ยังไม่หมดความรู้สึกทางการมารม์มปฏิบัติได้อย่างนี้จะสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิต